ก็กลับมาฉันไปศาลก็ไปแล้วโรงเรียนอ ะ, อะไรล่ะจักสวานกิขก็ไปแล้วทิ้งหมูทิ้งมิตรไปสี่ห้าันแต่ก็ไม่ได้ไปเล่นหรอกก็ไปทำธุระหน้าที่หลายอย่าง ทำความดีใน <c oughs> คนที่ทำความดีมากกว่าเราก็มีเยอะคนกำลังละความชั่วก็ยังมีอยู่แต่วกาเราก็อย่าไปใจร้อนรอคอยกันบางคนก็หลงอยู่ก็อย่าไปทิ้งทอดทิ้งกันเราพระเจ้ามองอะไรมองแบบ ประโยชน์ <c oughs> เขาอย่างเป็นคนดีไม่ได้ปีนี้ปีหน้าหรือชาติหน้าก็ายังอาจจะมีมองไปเราก็พยายามทำความดีให้รู้สักตัวเอาคนดีมาเป็นแบบอย่างเช่นเราภาษาวพ อรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเรามีตายแล้วก็จะมียังอยู่ก็ยังมีแล้วก็มองอะไรอยากไปมองแบบสันส้นๆมองแบบยาวๆทําอะไรที่เป็นเรื่องของตัวก็ดีเหมือนกันมันหลงก็จะไปเสียใจเพราะมันหลงมันรู้ก็จะไปดีใจเพราะมันรู้ มันทุกข์ก็อย่าไปเสียใจเพราะมันทุกมันผิดก็อย่าไปดีใจเพราะมันผิดมันสุขก็อย่าไปดีใจเพราะมันสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเราจะต้องใหญ่เอาเองให้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวน่ะมันทันสมัยเราจึงพาสมัยสร้างอะ เราจะได้ไม่เป็นอะไรกระทามปารูดสึดตัวก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วช่วยเราแล้วช่วยคนอื่นแล้วเราจะไม่ได้ช่วยกันเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานช่วยพี่ช่วยน้องแต่ว่าเราก็ช่วยลึกๆคือเราช่วยตัวเองไม่ให้ใครเดือดร้อน อันนี้เขาถือว่าเราก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วเรามีความรู้สึกตัวนะอะไรที่มันเกิดขึ้งกับเราเราก็เกอ้อยู่แล้วเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วเราก็รู้สึกตัวอยู่แล้วความรู้สึกตัวอย่าไปเร่งไม่ใช่เรื่องเร่งเรื่องรีบเรื่องช้าเรื่องไวไม่ใช่ความรู้สึกตัวมนก็มันพอดีแล้ว ชอบแล้วพอดีเรารู่อยู่ถึงว่าเราลู่หรือเปล่าแร่นเอาแรงเอาไหมใช่ไหมเราวิ่งอยู่ก็วิ่งมันก็วิ่งอยู่แล้วมันก็ทําที่สุดแล้วไม่ใช่เราวิ่งแล้วก็ยังพยายามที่จะไม่ให้ถึงอกถึงใจไม่ใช่มันจะเหนื่อยสองต่อวิ่งมันไม่เป็นเรื่องวิ่งใจก็ยิ้มไปในขณะที่วิ่ง อาจจะมีชัยชนะหรือเราทําอะไรก็ต่อเราจะตอบปัญหาถ้าใจเรามันดีไม่ต้องไปคิดว่าจะได้หรือไม่ได้มันมีสมองของมันเองก mm hmm. ารปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันก็ทําแล้วละถ้าลูกสึกตูนะั่นมันก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้ว จะไปหาอีกจะไปหาอะไรอีกจะไปเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเพราะคนเราเรามีสติแม่แต่พระธรรมวิ น, นัยนะภิกษุผู้มีสติดีห้ามไปปรับอวบัติแก่ภิกษุผู้มีสติเพราะมีสติรีอยู่แล้วแต่ถ้าทําอะไรที่มัน ทำลงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเช่นพระลาหนผู้มีสติดีอาจจะทำอะไรที่ไม่เหมาะเช่นพระนนท์กระโดดข้ามองค์น้ำชาวบ้านเขาออกพป็นส่วน่างร้ายโจดห้องพระนน์ว่าต้องอบัดถุดละขใจต้องอบัดทุกข์กดเพราะ ไปกระโดดข้ามองหน้าของขพระนลก็ชิดไปอย่างนั้นแต่ไม่พระนลเป็นพระหันแล้วนะอ่าพระนลเย็บกีบอนพระพุทธเจา้าเอาเนื้วเท้าเหน็บไว้ส่วนวนั้นหนเามือดึงว่าให้มันตึงอ่าถึงหลายขาโจดพระนล ว, ว่าเอาเท้าไปเยียบไปเีิดไปถ่ า, ายกีบอนพระพุทธเจา้า ตงปรับอาบัเจเธอเพระนนก็ยอมอ้เพระนนท์ขนขวายให้ผู้หญิงบวชเพระนนท์ขนขวยให้ผู้หญิ ง, วนนนวญงถวายพระเพลิงก่อนผู้ชายอะไรที่เขาปรับพระนนจริงแล้วพระนนก็ไคิดไปอย่างนั้นไม่ได้เจตนาที่จะไปให้เบียดเบียนใครเขาหาว่าขนขวยเรื่องผู้หญิงกันไป ถ้าปเยียบที่พนเราลองไปเจามันไม่มีผู้ช่วยเขาเอากายเนี่ยช่วยเหยียบไว้หลีบไว้เพื่อให้มันตึงหาจะดึงไม่ได้นะเอการที่มีสติในตัวเราก็อย่าอย่าไปให้มันเล่งอย่าไปทำอะไรให้มันดีไม่ใช่สติมันดีแล้ว ของรู้จักตัวมันดีแล้วถ้ารู้จักตัวก็สบายแล้วจะไปหาอะไรอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับอะไรอะไรที่มันมาเราก็รู้จักตัวนะ่ะดีแล้วถูกแล้วนะม้ามันสร้างอันเนี้เรามาสร้างตัวนี้นะใจเ ย, นเยน็นๆะใจเยน็เยนๆคนทำดีบางคนทำดีทั้งใจร่อนอยู่ทั้งรียบทั้งร่อนอยู่หน้าดําครื่งเครียดอยู่จะร่อนทำไม เราทําดีอยู่แล้วปกติไปเลยแต่ใครถามเราก็ดูอยู่นี่แหละเหมอกับอเราทํางานด้วยกันคนหนึ่งไปดูจุดนั่นคนหนึ่งไปดูจุดนี้เราถามว่าเขาทำอยู่ด้านไหนเอออยู่เขาทำเราอยู่ เ, าเยยขาบอกเขาดูอยู่นี่แหละแน่วไเพราะเขาดูอยู่แล้วพอดูงานอยู่แล้ว แล้วเขาอุ่นใจเพราะเขาดูจุดอ่อนของของงานของการอยู่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราดูอยู่แล้วละรู้อยู่แล้วละอย่างนี้<ม>ก็ทำเบาๆทาไม่ยากความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นเรื่องทําให้ยากความรู้สึกตัวมันเป็นเรื่องที่ทําถูกต้องอยู่แล้วอยูด้วยชอบแล้วอ่าปฏิบัติธรร ม, มนะ ก็ไม่มีไม่เห็นมีอะไรยากนะถ้าผนะู้เรียนสตินะขณะที่เจริญสติอยู่ไม่มียากไม่มีง่ายมันเป็นธรรมมันพอเหมาะพอดีแต่จะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิจะเป็นธรรมความเห็นในถูกต้องก็ธรรมความเห็นในถูกต้องอยู่ในตัวิทธิ์เลยนะผู้ทีเจริญสติน ะ, ะเรานะเราจึงไว้ใจกันหลวงพ่ออยู่หรือหลวงพ่อไม่อยู่ ไม่เป็นไรคนเจริญสติไม่เป็นไรผู้ที่เจริญสติแล้วไม่ได้เกี่ยวกับจางเลยเกี่เขากับตัวเราแท้ๆผู้จัตัวอยู่นี่แล้วรู้จัตัวอยู่นี่แล้ววางใจวางใจกับผู้เจริญสติแล้วเขาก็ทําเป็นแล้วเราก็ได้บอกแล้วไปคือสร้างสติเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้คือสติ คือความรู้สึกตัวอันนี้คื อ, อสติคือความระลึกได้อันนี้คือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเขาทำไปแล้วเขาทําเป็นอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําถูกแล้วเขาก็ทําถูกแล้วคนที่ทาถูกอยู่แล้วจะไปเชี่ยวไปเขียนเขาแล้วหัวเรือเทียมขวียดเขาดันอยู่แล้วเราไปเขียนไปตีเขาก็ไร่าง้ เขาก็ทิ้งแอกทิ้งล่อทิ้งเปลี่ยนไปเลยการสอนตัวเองกับบางนคนบางทีมันรีดตัวเองเกินตัวมังก็ทิ้งมันไปเลยมันก็ไม่ออกไม่ไปคงเส้นคงวาเหมือนเราบีบเข้าหนุบกีนใส่เฟื่องเสียนมันมีรูอยู่แล้วก็ค่อยบีเพื่อไม่ไปตามรู มันไหลออกไปตามรูของมันไม่ใช่เป็นเล่งแต่เล่งมันก็ออกรูไปถัน ก, แกแบบนน็แตกในแว่าเหรินเปียนแตกพอเปลียนแตกก็ได้เรื่องเลยมันต้องเสียเวลาต้องไปปว่าต้องไปตากต้องไปเย็บมันบางคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยถูก ทำไม่ค่อยถูกของถ้ามันถูกไปทําให้มันผิดอของที่มันผิดไปทําให้มันถูกเข้าใจหรือเปล่าถ้ามันลูบสิตัวเนี่ยมันถูกแล้วของที่มันผิดคไปสวมหลงก็เราพยายามทําให้มันถูกแต่ไปทําให้มันผิดถ้ามันหลงชิดก็ไปยัหลงอยู่นั่นแหละไม่กลับมาลูบจิบตัวก็ทําให้มันผิดเลยไปมันก็แค่นั้นเองเปลี่ยนมันเท่านั้นเอง ไมได้ยากไม่ถึงกับหน้าดำเค่องเครียดอะไรนะเขาวอกจังว่าโอ้ยมันสบายการเจริญเตินีมมันโตทันทีมันเป็นโอปปาติก ะ, ะมันผุดขึ้นทันทีถ้า จ, จะเป็นเทวดาก็อเป็นอุบัติเทพทันทีเป็นเทวดาทันทีอุบัติขึ้นทันที แต่เป็นเปรตก็อุบัติเคลืนทันทีแต่เป็นสุรกายก็อุบัติขึ้ืนทันทีมันเห็นมันก็ไม่ออกมันก็เปลี่ยนทันทีมันก็เป็นงานทันทีเจองานทันทีเจองานแล้วมันก็ต้องทำงานไม่ให้งานมันว่างเปล่าเสียเวลาเห็นมันหลงถือว่ามีงานแล้วต้องทำความลงให้เป็นความรู้ พวกลูกทำงานต้องเป็นอย่างนั้นพวกลูกทํางานไปเห็นสิ่งที่มันผิดก็ถือว่าเขาได้บทเรียน<ม>เขาได้ประสบการณ์จากการทํางาน<ม>เขาจะเห็นจุดอด่อตรงที่มันเสียตรงที่มันทำไม่ให้สวยเสริมตรงนั้นเกี่ยวยาตรงนั้นอ นี่คือการปฏิบัติธรรมท ำ, ำไปสบายๆเลยพวกเราอย่าไปเที่ยวไปเข็นตัวเองอย่าไปเอาผิดเอาโทกกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นให้เป็นเรื่องของเราการปฏิบัติธรรมอย่าเป็นเรื่องของคนอื่นสําหรับผู้ปฏิบัติสําหรับผู้ที่บอกที่สอนอก็เอาเรื่องของความถูกต้องมาบอกมาสอน ได้ทำมาแบบนี้ได้ทําอย่างนี้มันมีแบบฉบับอยู่ในธรรมวินัยในคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติเราพูดเรื่องสติแต่ใครมรีความโกรธก็พูดเรื่องความโกรธใครม่ความทุกข์ก็พูดเรื่องความทุกข์เพราะพุทธเจ้าก็เคยโกรธพระพุทธเจ้าเคยทุกข์พระพุทธเจ้าเคยหลงสมัยยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะสมัยยังเป็นกิจทัศน์ ทำไมจะไม่เคยเคยอยู่แล้วกว็จึงพูดเรื่องของตัวเองเป็นส่วนประกอบให้กับพูดให้กับคนอื่นฟังเอาของจริงต้องกันเดียวกันของไม่จริงก็เหมือนกันความโกรธมั้งป็นของไม่จริงอยู่กับใครมันก็ไม่จริงของคนนั้นมันมีอยู่กับเรามันก็ไม่จริงสําหรับเราเราก็เปลี่ยนมัน ไม่ใช่ว่าเออดีแล้วดีแล้วความกดถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่ความหลงดีแลวดีแล้วไม่ใช่ไม่มีใครเห็นความหลงความกดว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องถูกลเรต้องสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมความทุกข์ก็ดีแลวดีแล้วที่มันทุกข์ไม่ใช่เราต้องสอนกันแล้วเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นสอนเราก็เห็น เห็นอะไรเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเห็นอะไรที่มันแสดงออกเรื่องของกายก็ดีเรื่องของจิตใจก็ดีที่มันแสดงออกมาขังแล้วขังเหล่าของเก่าสายอยู่เรื่อยของใหม่เกิดขึ้นเรื่อยให้มีงานในการทำอยู่เรื่อย แล้วมันก็ทําเสร็จคนทํางานเมื่อมันเสร็จไปมันเสร็จไปเราก็ภูมิใจนะอย่างเราได้ยากแต่ขอนมันลกเราค่อยได้ไปได้ตารางเม็ดได้สองตารางเม็ดได้สามตารางเม็ดก็ภูมิใจต mm hmm. อมนมีโอกาสเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นเห็นกายรู้แล้วเรื่องกายเห็นเวทนารู้แล้วเรื่องเวทนา เห็นความคิดรู้แล้วเรื่องของความคิดเห็นทารู้แล้วเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเป็นกุศลเป็นอกุศลรู้แล้วนี่ทำาไรจะไปรู้มันผ่านมาให้เราเห็นกับตาตาในของเราได้เห็นอยู่ได้เห็นได้พบได้เห็นอยู่นี่แล้วเมื่อเห็นแล้วเราไปเกี่ยวข้องเราไปทำแล้วอ่นเราทำได้ด้วยอ่า ทำไม่ได้ก็ยังมีงานและทำอยู่อเออนี่เรามีงานเออนี่เราได้งานแล้วพอพอใจที่เราได้งานเราจะได้ไปทำงานเ<ม>ห็นเราไปเทศมีพระกู้เทศถามเราเราตอบไม่ได้แสดงว่าเรามีงานแล้วกลับมาวัดตรงค้นขั่วกันใหญ่ มันอยู่ตรงไหนคำนวณดูหารหัสกันดูเล้ก็ถามตรงนั้นว่าต้องอยู่ตรงนี้อคําว่าหมวดใดมาอยู่หมว ด, ดนั้นมาตรวจหาดูแล้วก็เจ๋งเลยปะ่ะเลยจากการที่ได้งานทํางานไม่เป็นกลับมาซ่อมเ่ลงมันทํางานเป็นมันก็คงไปเรื่อยๆไปฐานปฏิบัติธรรมกับมันไป สิ่งไหนที่มันทำให้เราของแวะเห็นพยาบาทกรรมลาลคาะควมโงเงาหอนอนความรังเลยสงสัยตัดสินใจไม่ลงอยอกคิด เ, เรื่องเก่าอยู่เลื่อนเราก็รู้เขายังไม่ไปทางไหนเลยยังเอามาคิดอยู่เลอเนี่ยสิบปีแล้วยังเอามาคิดอยู่ คิดแล้วก็โกรธทันทีคิดแล้วก็ดีใจเสียใจอ้าวมันยังอยู่ตรงนี้เรอเคลื่อนย้ายตัวเองขับเคลื่อนตัวเองไปนะปฏิบัติธรรมมันะมีประสบการณ์ตลอดเวลาอย่าไปรีดขออย่าไปรีดทำสบายนะคนทำสบายเมื่อเรากินข้าว เ้าคนกินข้าวกินสบายสบายเี่ยวอาหารไปไม่ใช่ไปรีบอันนั้นชอบวันนี้เราไม่ชอบคนทรงอาหารไม่ดีเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปอาหารก็เค็มอย่ดียอาหารก็เผ็ดอย่ดีแต่ถ้าเราทําไปสบายๆมันจะไปฉันข้าวอยู่ที่ซิกาโกะ มีพระโลกนังพระพระน้อยพรหนุกน้อยเราก็ฉันข้าวด้ือสองสามขันคำเขาโควางช่อนเป๊ะลงไปพขาโคตว่าหุงข้าวไม่เอาไหนเลยแข่เกินไปแล้วโคตรแล้วเออแล้วไปทางนั้นได้นะเออเราก็เลยแค่นี้แนละ้วเราก็เลยถ้าเรามองเขาเขาหลงไปน้อง อ่าก็ลงไปเราก็ลุสึกตัวอ่าล้วก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้แค่เขาคนหลงก็ไปอย่างนี้แล้วเนยเอา่าคนเมียครัวที่ฉันเข้าอยู่คนละโตเขาก็เสียใจคำพูดของพระพูดหนึ่งพูดออกมากระทบคนอื่นก็เสียใจเอาเจ้าวาดก็โกรธขึ้นมา พอฉันเข้าเสร็จก็เรียกมาถามคนทำไมนคนทำไมคนยังไม่รู้จักอะไรเอามาสั่งมาสอนก็เลยกระทบกระเทือนสำหรับเราไม่เป็นไรมันก็ธรรมดาแล้วเนาะคนโผหลงก็ไปอย่างนี้แล้วนะสบายเมื่อเห็นอะไรกนก็เข้าใจแล้วเขาหลงแล้วเขาชอบหลงข้าวที่มันไม่แฉะ สำหรับคนวางคนวางคนกองหงข้าวให้เปียกๆอย่างหลวงพ่อนะทำคนสะอาดได้ไหมหงให้มันแตกๆให้มันเปียกๆไม่เป็นไยถ้าก็งหงมามันผงกันได้เออดีจะได้เขี่ยวนานๆแต่หงแปลกหงแตกก็ได้เออดีจะได้เขี่ยวง่ายๆขึ้นง่ายๆมองในนี้ดู อาทัยทิ่งช่อนเป๋งโคดบนเนี้ยไปเลยอาชัยแสดงว่าเขาหลงรานปฏิบัติธรรมกวนกันอของที่มันไม่ดีของที่มันจะปรุงยุดโลูเท่าลลทันมีสติสมัยฉันยะอยิ่มหมอนล้อยอะมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็พลาด้าง การทำอะไรสีเท่าย่อมพลาดนักปาดยออ่อมเพออบางวันแม่ครัวก็รงอาหารไม่ปกปักบางวันแม่ครัวก็งอาหารแซ่บเออก็โล้ธรรมดาเหมือนๆกันมองในแย่มองบางอ ม, มองเป็นประโยชน์เห็นใจเห็นอกเห็นใจเขาไม่ได้เจตนาะธรรมดาแม่ครัวก็ไปต้องเสียใจมีใครบนน่นยั เสียใจไหมแม่เม่ขระพูดจากนั่นขึ้นมาผมเข้าไปเอาไหนเลยมองแม่ครัวลุกหนีไปเลยแม่ครัวจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างไงนะโกรธไหมโกรธว่ะที่อินซี่โกรธไหมอาไรโกรธอ้อมมองไม่ง่าย ด, ดิเขากดด็ว่านั่นแหละ แล้วก็ดูได้เกิดขึ้นจากเราเกิดขึ้นจากคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเยอะแยะฮะไปกลัวอะไรในโลกเนี่ยในตัวเราก็เยอะแยะฮะมันแสดงออกว่ากิเลสกรทั่งปัญหาตัณหากระทั้งลอยแปะโอ้มัน้าก็นั่นหรือปฏิตัณหาสมานาทีแม่น้าเสมอโดยตัณหาไม่มีโอ้ยกลัวอะไรกัน ไปเรียนแล้วทำเช่นตีทีแรกพอไปท่องกันเนี้ยเขาโอ้มีคนก็พูดโอ้มีมีพูดได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละป็นาศาลาลู่ได้ตัดสลู่เรื่องนี้พ้นไปได้สิ่อื่นไม่มีทางนะแต่วันนี้เ็าอย่างได้ยินคนพูดปฏิบัตทิทําทําไมมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละ สมัยทัวร์เนี่บทจุกจดสมัยพระในพานมาผลในพันแล้วเขาก็ว่าเออทำไงตอนตอนให้เป็นเนนเนี่ยโอ่อลอะไรนาฏติฐาสมานาฏิแม่น้เสมอด้วยตฐาหาไม่ไมเ อ, อ้าพอไปบทองพระสิติบทนั้นาฏิสันติปรังสุขขังสุข อ, อื่นยิ่งกลัวความสงบไม่ไหมมันก็ยังมีหวังอยู่นะเนี่ย สุขอื่นที่กว่าความสงบได้ีหปัญญาวัฒ เ, เนระเสยโยปัญญาประเสริฐประพย์เอาอัตหาเวชิตังเฉยโยชนะตนนันแลประเสริฐออมันก็กลับเลยแต่ก่อนเราคิดว่าจะชนะคนอนตัวนี้พอมาท่องสอจิตเขาเอ้ามันก็มีในท่องทาง อตาหาเวชิตังเสยโยชนะตนนันเลพเสริฐชนะคนอื่นร้อยข้างถนนไว้เท่าชนะตนข้างเดียว <c oughs> ท่องพระจิตพ อ, อท่องพระจิตไปบางบางพระจิตก็เคี่ยนเรามากบางพระจิตก็เคียเราเคียเราให้เราได้สู้บางพระจิตก็ให้เรากลัวทําให้เรากลัวเอาไปออกมาก็ เรียนไปใส่ใจไปมันทําท่าจะวางหนังสือทิ้งทิ้งการทิ้งงานอ๋อไม่เอาได้เลยหวงางครื่องก็ไม่ความอุดสหภาพาเขียนเออก็เอาอย่างเออเน้นน้อยเอยาหนังเขาได้รับทํากสันติสําเน้นเอาหนันเนี้ยทําชนโตในปะหาการเรียนแล้วก็ อ, อย่างก็ว่าเขาก็คนเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันคิดไปยังไน ปฏิจะต้องยอมใจเดยให้สู่ตัวอะไรที่มันยุ่ง ย, งยากกะต้องมองประโยชน์เขาตื่นเขยังทำได้คนอื่นเขายังไม่นอนก็าท่องหนังสือเราก็ไม่นอนก็ได้คนอื่นเขาตื่นเสียงท่องหนังสือเราก็ต้องตื่นแหลก็บางอย่างก็เป็นแบบอย่างกัน้าพวกเราอยู่ด้วยกันอาหลวงพ่อก็อยู่กติากางนั้น อ า, อาจารย์เอาล่ะก็อยู่กติหลังนั้นแม่คีก็อยู่กติหลังนั้นสารเลลีก็อยู่กติหลังนั้นพิกษุนี่ก็อยู่กติหลังนั้ น, เ, เ, อ น, น, น, อ น, นเอาเราก็อุ่นใจท่านเขากำลังทําความเพียรอยู่ใครหลงงดหลงเราก็ช่วยกันช่วยกันรอกันคอยกันอ อย่าไปเกลียดกันบางคนก็ยังหลงอยู่บางคนยังกินเหล้าอยู่บางคนยังสูบบุรอยู่อย่าไปโกรธกันให้โอกาสปีนี้เขายังเลิกก็ได้ปีหนะ้าคงจะเลิกได้ไอ้คิดแต่ท่านนะไอ้ใช่ว่าจะเอาอันนั้นมาเป็นปัญหาเอาเรื่องนั้นมาเป็นปัญหาไม่ใช่ให้โอกาสเราเราต้องใจเขาใจเรา คนบางคนก็โกรธบางคนคนหลงพูดผิดไปเอาคาพูดของเขาที่ผิดพาเป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันต้องเป็นอย่างนั้นเราตอนอยู่ร่วมก่อนการปฏิบัติธรรมเราอยู่ร่วมกันกับกายเราอยู่ร่วมกันกันกบจิตใจเราอยู่ด้วย ก, กันกับความหลงเราอยู่ด้วยกันกับความรู้ เราอยู่ร่วมกันกับความสุขเราอยู่ร่วมกันกับความทุกข์มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอยู่ร่วมกันกับความโลภความ โ, โกรธความหลงมันก็ต้องมีมันเราอยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยปติรังไหนก็ต้องมีมดุดเพราะทำไมต้องมีมดเพราะเราอยู่ในป่าไม่ใช่ว่ากติรังนี่ไม่มุดเยอะปฏิร้วนั้นไม่มันไม่ใช่เมื่อมันแยกใบมี ต่อเมื่อมันยังไม่มีต่อเมื่อมันมีมันก็จะต้องมีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพอเันเป็นที่อยู่ของเขา<ม>เจองูบ้างบางทีก็มียุงบ้างบางทีก็เดินหกล้มบ้างระวังนะเดียดูนี่นะมีคนจังหวัดสงขลานะอ่าหาดใหญ่แม่คนแบบขันมาอยู่เกิดขึ้นยังไงลม้มล้มลงไปก็เอามือเท่านแขนหักเลยไปพาไปหามอือ ะระวังนะมันลื่นนะเปนตุ่มลื่นไปทีหนึ่งเลยอุอพ่อก็ก็ระวังเต็มที่แหละเรื่องขอ ง, ง่มตรงไหนที่มีทางเขียวเขียวถนนเขียวเขียวที่มันขึ้นใครน้ำนะระวังให้ดีๆมันลื่นแบบยัง่งมาอยู่โดยเฉพาะคนแก่บมันพวกเราเนะี่ยล้มนะคนสะอาดนะอยนะอมแล้วยอม ระเบิมีอะไรที่มันมีอยู่ด้วยกันเราเดินถนนหนทางแล้วมีโยงกัดมีเหลือบโยงกัดในจริงไม้ในใบไ ม, ม้มีงูพิษนัน่นแหะแต่ก่อนมีช่างมีเสือโน่นภาษาอะไรเนี่ยคํามาพันเนี่เอ้าวเสียงหมีกัดกันแล้วเสียงช่างหยอกข้กันแล้วเออเออเอะไรนี่ ทำยังไงล่ะเฮเมื่าจะยินเสียงช่างาไงทำยังไงฮะซีเป็นซีแต่มันเป็นลีว่าจะยินเสียงช้างมันร้องทงําไงเสียงเสือร้องตลอดคืนก็ไม่สองพันห้ารอยสิบหกนาเป็นนั่งแข็งเปือยเสือร้องตลอดคืนเสียงหมีกัดกันอยู่โพกลางโน่น บางมาสองคนก็นอนไ้หล้กลัวนี้ <c oughs> นะขัวเสือไปลัวอะไรทันทีมดก็มีปัญหาโยงก็มีปัญหาควมร้อนก็มีปัญหาควมหนาวก็มีปัญหาไม่ต้องมีปัญหาได้ไหมไม่มีปัญหาเห็นหมดก็โอ้ก็บอกเขาไลา่เขาไปทาไมโอ้ยเมื่อมดเยอะอะไรต มดมันงก่อเพียงนะตรงไหนมันก็หาที่อยู่มันแล้วปติทําเสียงดีบางทีทําทําให้มันอยู่ด้วยในซอกในมุมก็เข้าไปไข่ไว้วางใสไหนบางทีมาไข่ใส่พัดลมมาไข่ใส่เครื่องขยายเสียงมาไข่ใส่อ่าเทปก็ยังไม่เห็น ไ, ไหมหมวนเทไปนะไว้ไข่ใส่เต็มหมดเลย <c oughs> เราก็หาที่อยู่มันจะเราความปลอดภัยเห็นใจครับว่าเราป้องกันดีๆคอยยกต้นคอยตัวติของอย่าให้มันวางอยู่ดาน <c oughs> บางทีตะขาบจดูผลชื้นๆมันหาความอุ่นเหมือนกันพวกสัตว์ที่เป็นพิษพวกตะขาบพวกงูแต่พวกมูทำทานชอบความชื้นความมืดประตู ปิดบ้านมันชอบความมืดความชื้น อ, อ่าถ้าอย่าไปวางกองไว้นานเกินไปกล่องกระดาษเอาของไปปักไว้ตรงนั้นไม่เพื่อนไม่ย่ายเวลาจะไปยกกล่องกระดาษก็ต้องดูดีๆเอมือไปพ่วงลงไปไ ม, ไม่ได้อ่าให้แต่ย้ายเครื่องสูบน้าจานสูบทัชมันก็ยังเข้าไปอยู่หมูธรรานามาหาทิ้งที่หลบที่ซ่อนมันก็พวกเรา พเราก็สร้างกติอย่างดีปิดประตูหนาา้าต่างหาผ้ามอคงอย่างดีเหมือนกันราก็ดูเคลื่อนไหวอย่าให้มันสกปรกของอย่าให้โรคปรกุกรอย่าให้มีกลิ่นอับกลิ่นสาบของอยู่ของกินเราวัดระวังมันได้กินหนูมากินได้กิ่นหนูมาเมื่อหนูมางูก็มาั้าก็ ถ้ามีอะไรจะเก็บให้ไม่คิดอย่าให้มันสะดวกในการอยู่การกินพวกสัตว์อะไรต่งตางๆโหจะนี่ไปกลัวแนะล้วกลัวไหมกลัวไหมไม่ต้องกลัวจะสนุกดีนะแต่ก่อนยังไม่ใช่อย่างนี้นะไอคีเนี่ยท้องพอ มาไล่งูให้ด้วยมาจับงูให้ด้วยหลวงพ่อไม่รู้อะไรมาตีฝาอยู่นี่มาเรียกไปตีสังกระสีอยู่นี่บางทีสัตว์สมัยก่อนเหมือนคนพูดกันตลอดคืน อ, อีพอก็มาอีแม่ก็มาแจ้งแล้วแจ้งแล้วร้องพ่อแก้งแล้วแจ้งแล้วร้องพ่อแจ้งแล้วเอ๋อ ฟังโดยดีมันเป็นเสียงนกไม่ใช่เสียงคนเราฟังแบบปรุงๆแต่งๆก็ย้าพอย่าพอเสียงนกบางประเภทนะนกนกกระบานกกระบาดงนกกระบาโคกนกกระบาถามจะได้ยินไหมนกกระบาโคกโกโยกจนกกระบาดงแกล้งแล้วงแล้ว นกกร บ, บาทา่ารุ่งรุ่งรุ่งใช่ไหมไปได้ยินไหมสมัยทุกวันนี้ไม่มีแร้วทำไมมันไม่มีแล้วนกพวกนี้ยมันหมดไปแล้วสมัยเรื่องนี้เราคอยจาได้ตนะั้งแต่เป็นเด็กเรื่องวัวเรื่องควายได้ยินกลางคืนโอ้มาอยู่นี่ก็ได้ยินแต่นี้ไม่มีแล้วเงียบนอนกลางคืนไม่มีเสียงอะไรถ้ามันสมัยก่อนพวกเราจะอยัอยงไง เสียงช่างเสียงเสือเสียงหมีเสียงนกเสียงเห็นเสียงเมินนะเสียงเม่นเนี่ยปรากฏว่ามันล่องอยู่แต่ใต้ทนก็เตงตึตึตึตึตึ้ยตแล้วก็เขาสตาร์ทรถมอเตอใส่ซอ้าวโอ้ยขับรถมาอยู่นี่นแล้วมันมาได้ไงมันรถติดคนอยู่ที่ไหนไม่เคยมีรถสักที บ้านในเมืองนี่ใช่ไหก่อนรถไม่ไม่มีเลยมอเตอร์ไซค์ไม่มีแต่วัยยี่สิบนี่ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยนะสิบเก้าเลยยังไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เสียงเม่นมามาล่องอยู่ใต้สมุด ต, ติร์สเติร์สเติ ร, ต ร, ต ร, ตรตงโดยเชิงกลส่องไปฉายดูมันสันน่นขนเม่นตัวใหญ่กลัวไหะ แต่กลัวนะภาษาอะไร น, นะแต่กลัวถึงเมื่อหลังกับกลัวอิเลสปัญหาของตัวเองคือความหลงจะหลุดเล่นๆกันไปเนาะวันนี้เ น, ะนาะได้อยู่ด้วยหลายวันในไรก็บอกกันเนาะในปัญห า, หญหาไรกระบอกผมขอตัดไม่แก้วให้เจ้าทำความเปี่ยนเล่นกันไปไม่หลับไม่นอน อันนี้กําลังจะ น, นอนหรือเปล่า mm hmm. นอนหลับน ะ, ะไรความเสียงจะไอ่เ <laughs> ราจะมีเสียงอะไรมาบอก mm hmm. เดินทําอะไรกันไปหยุดไม่ต้องทำเลยไม่เจ้วเสียงหลับไปไม่หยั่งมาบอกเลยหลงไปเลยกำ mm hmm. ลังอบรมวันนี้ทั้งวันเลยอะก็อพอละสําหรับวันนี้นะจับ mm hmm. พระอกัพอพอ mm hmm. อังตมะัโวังวะกังอะิวเทวะกัโตภะโอะธัมโมอังมัะะิวโนภะวโสังัง